ตต้องมีสติตามดูตัวเองในการรักษาศีลอย่างเคร่งครัดผลที่ได้จะเกิดแก่ผู้ถือศีนนั้นนั่นเองการนั่งสมาธิและเดินจงกรมการนั่สมาธินั่งอย่างไรก็ได้นั่งท่าที่สบายตัวที่สุดมือประสานบนตักบางคนใช้มือขวาทับมือซ้ายใช้หัวแม่โป้งแตะกันเบาๆสูดลมหายใจเข้าออกช้าๆ